อือ่องเราอื่พอเนาะเมื่อกี้ก็มีเทปของอาจารย์เบสานน ะ, ะท่านบอกว่าจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆนะมันมันไม่ได้ร้ายร้ายแรงนะเท่ากับความไม่จิตใจและไม่ยอมรับในโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆเหล่านั้นเนา ะ, ะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมั น, ม, นมันเป็นเรื่องที่มันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมมัน อ, อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้เนาะแต่เมื่อมั น, ม, นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสำคัญว่จใจเรายอมรับไหม <c oughs> ถ้าใจเราไม่ยอมรับเราจะมีความทุกข์ <c oughs> สองสองอย่างนะคือทุกข์กายจากโรคภัยไข้เจ็บมนะแล้วก็ทุกข์ใจจากใจที่ไม่ยอมรับนี่แหละพอใจมันจะคิดอยู่เรื่อยๆทาไมทำไมต้องเป็นเรานะอ่า เราไปทําอะไรมามันจริงเป็นทําไมคนหนึ่งก็ไม่เป็นทําไมคนเขากินแบบนู้นแบบนี้ทําไมเขาไม่เป็ น, นอ่นบบนบบนเาเหมืนอมนกับเรากินเหมือนกับเราเขาก็ไม่เป็น <c oughs> ทําไมเรากินแล้วมันเป็น่นะหรือว่าอทําไมเราจะแย่น ะ, ะมันร่างกายเราแบบนี้มันต้องแย่จะตายเมื่อไหร่อคงอยากให้ตายแล้วอะไรเงี <c oughs> ม้มันมันยังเป็นใจที่มันไม่ยอมรับเนาะ แต่ใหม่ๆก็คิดหาเหตุผลไม่ก่อด น, นะทำไมเป็นแบบนู้นแบบนี้แต่เมื่อมันคิดหาเหตุผลจบแล้วมันก็ต้องใจยอมรับนะใจยอมรับมันก็อย่างที่พระอาจารย์ในสายบอกมันกะโดนธนูยิงสองดอกเห็นอืมดอกนึงก็โดนร่างกายอีกดอกนึงก็เป็นความทุกข์่ะเพราะว่าโดนยิงโดนใจนะใจเนี่ยมันจึงสําคัญนะอมันไม่ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวเห็นไหมบางคนก็ อส่วนเสียเงินไปนะเงินโดนโกงไปบ้างอโดนลักขโมยบ้างหายไปบ้างนะครับนี้ถ้าใจยอมรักก็ไม่เป็นไรเงินหายก็เป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนที่พระอาจารย์เบตานั่นก็บอกว่าเออบางทีเงินบางทีเงินมันหายไปมันก็ส่วนหนึ่งแล้วนะมันก็เสียไปแล้วไงมันก็แต่เงินที่มันมันยังเหลืออยู่มันก็ต้องเยอะใช่ไหมเงินมันก็ยังเหลือตําเยอะแต่ว่าไอ้ที่มัน เสียมากมานั้นคือใจที่ไม่ยอมรับมันจะมีความทุกข์นะมันคิดเอ๊ะทําไมอย่างงู้นอย่างนี้คิดวนอยู่เรื่อยแม้แต่หลายหลายปีก็ไม่ยอมทิ้งความคิดเนี่ยองมันนี่เหมือนก็เปรียบเทียบว่าเมื่อคนก็มาด่าเราใช่ไหมด่าเราเนี่ย <c oughs> จริงจริงแล้วก็ด่าเราตั้งแต่นแนวดีแล้วด่าเราต้องหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วเรายังเก็บมาคิดอยู่เรื่อยเขาด่าเราเขาด่าเราเนี่ยคิดแต่ละครั้งก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหม พอเรามีความโกรธความไม่พอใจทุกครั้งที่เราคิดทั้งทั้งที่คนด่าก็ลืมไปแล้วนะลืมก็ด่าต้องไหลสีคนลืมไปแล้วอาจจะลืมทั้งวันแล้วก็กได้แต่มันความความฝังใจที่โดนดา่าเนี่ยอยู่ในตัวเราตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนานมันกับเข้ามีมาแทงเราแล้วนะมีมาแทงเราแล้วไอ้คนแทงมันก็จากไปแล้วนะนะั่นแหละแต่เรายังปล่อยให้มีเป็นคาอยู่ที่ตัวเรา มีมันมันมันมันมันปากคาอยู่ตัวเราแล้ววันดีคืนดีเราก็เอามีมันเอามาแทงตัวเองนะมาแทงด้วยตัวเราเองนับครั้งนับไม่ท้วนนะตราไใดที่เรายังคิดอยู่ในตรงนั้นมันก็เท่ากับเราไปเอามีมาแทงตัวเราเองนับครั้งไม่ท้วนเนาะเพราะตรงนี้ก็คืออ่สิ่งไรก็แล้วแต่นะใจเนี่ยมันต้องรู้จักปล่อยต้องวางใช่ไหมอะไรได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ต้องปล่อยอดีตก็เป็นเรื่องอดีตแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบัน อดีตเป็นสิ่งนี้ผ่านมาแล้วมันก็ต้องวางอาดีตนะอดีตมันจะมีความทุกข์ขนาดไหนมีความโกรธขนาดไหนมีความแค้นเคืองขนาดไหนก็ต้องวางถ้าไม่วางก็คือเรามีมาแทงตัวเรเองคือเหมือนเราโดนยิงธนูอ่าดโดนดิงธนูไม่รู้กี่ดอกไม่สองดอกอ่ะโดนยิงทุกวันใช่ไหม <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยบางคนก็นไปคิดเรื่องอดีตลืื้นอันนี้มันเป็นความเรยกว่าเราทำร้ายตัวเราเองใหะนั้นเนี่ยบางคนก็ไปคิดเรื่องอดีตลือฟืนอันนี้มันเป็นความเรียกว่าเราทำร้ายตัวเราเองใช่ไหม เพราะนั้นใจเราอยู่ปัจจุบันนะมันไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมมันก็อยู่ปัจจุบันนี่แหละแม้แต่เราจะเป็นโรคไัยไข้เจ็บหรือของหายอะไรมันก็เรื่องสมมุติตรงนั้นนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันสมมุติอแต่ว่าความจริงอยู่ใจเรามากกว่าใช่ไหมใจเรามันไม่ได้จริงใจเรามันไม่ได้เจ็บปวดนะเหมือนที่อาจารย์คำพลนั่นแหละท่านก็เป็นอมพาสใช่ไหมตอนหลังมาก่อนนั่นก็เอออมพาสร่างกายที่การใจก็เลยมีความทุกข์นะร่างกายที่การใจก็ที่การไปด้วยใช่ไหม แต่ตอนหลังท่านเข้าใจธรรมะโอ้ความพิการหรืออมภาสก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจ <C> ท่านเราบอกท่านราจากความทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะใจท่านมันมันมันไม่ได้เปพิการด้วยไม่ได้เป็นอมภาสไม่ได้มีความทุกข์ด้วยแต่ใจที่ไม่ยอมรับนี่แหละมันจึงมีความทุกข์ใช่ไหมแต่เมื่อใจท่านยอมรับโอ้ความพิการความอมภาสมันเป็นเรื่องของกายนะไม่ใช่เรื่องของใจท่านลาจากความทุกข์เลยใช่ไหม เพิ่งคนจะเป็นโรคไข้ข้เจ็บกเหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องใจเนี่ยรายจากความทุกข์ได้เรื่องอดีตที่มนผายมาแล้วมันจะไายแรงขนาดไหนนะมีความทุกข์ขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยเพราะใจเนี่ยสําคัญที่สุดนะเพราะการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไปบาดที่ร่างกายหรอกนอันนั้นมันเป็นการอุปกรณ์ให้เรารู้จักกายรู้จักใจให้มีสติรู้เท่าทันขณะนี้กาลังเกิดขึ้นในกายในใจเรา เนาะแต่จริงๆแล้วมันมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละว่าใจเราเนี่ยมันเห็นความจริงไหมในความไม่เที่ยงอทุกอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงใช่ไมเป็นเรื่องจริงไหมมันจะให้มันเที่ยงแท่ถาวรไม่ได้หรอกร่างกายเราจะให้เที่ยงแท่ถาวรก็ไม่ได้เงินทองจะให้อยู่กับเราตลอดกาลก็ไม่ได้นะมันเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงใจก็ก็คลายแล้วนะเห็นไหมว่ามีแต่ความทุกข์ใช่ไหมร่างกายจิตใจมีแต่ความทุกข์อันนี้คือความจริง แห็นไหมว่าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้ใช่ไหมร่างกายเราก็บังคับไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัใจจิตใจแล้วก็เหมือนกันบังคับบัญชาไม่ได้จะให้ดีทุกวันก็ไม่ได้ให้มีสติตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่หไหมเพราะเมื่อเราเข้าใจความจริงมันคือมันเข้าใจมันก็วางเองมันไม่เข้าใจมันก็ไม่วางมันไปยึดมั่นถือมั่นต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ <c oughs> ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอ่แต่เข้าใจความจริงมันก็คลายออกก็คือคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องเป็นแบบนี้ ต้องดีต้องเทียงแท้มันคลายแล้วนะเนี่ยตรงนี้มันจะจะัดความทุกข์ได้เนพะราะใจที่มันวางแล้วนะ่ยมันจะไม่ทุกข์แล้ว<ม>การยึดติดแท้จริงนั่นแหละคือความทุกขนะ์นะเพราะปฏิบัติธรรมก็คือคลายการยึดติดในทุกอย่างโดยเพราะตัวเราเองนะั่นทุกอย่างเมื่อมันคลายแล้วมันจะ